เหตุผลต่อไปทําไมแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะทําไมเพราะอะไรทําไมจึงแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะว่าความสําเร็จแห่งสัจจะก็มีด้วยอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่ายัางไงอธิษฐานไปดูในหน้า565 66อเนี่ยนะใช่ไหมย่อหน้าล่างสุดเลยหน้าห้ายย่อหน้าล่างสุดบอกว่า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 เพราะแค่โกรธลืมตาแล้วเขาตาย น, นะแค่โกรธลืมตาด้วยความโกรธแค่นั้นแนหะผลานเนี่ยนะเผาพิราธหมดเลยที่ท่านตั้งใจได้แล้วก็งดเวรคนที่มาทําร้ายท่านไม่ตายก็เพราะท่านมีใจตั้งมันน่นะการงดเวรเรียกว่าวิรติสัจจะวิรติสัจจะอยู่ได้ก็เพราะการตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวรารอธิษฐานนั้นจึงสําคัญมากต่อ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 ผู้ที่มีสัจจะวาจาเนี่ยนะพูดจริงแล้วก็ตั้งใจมั่นบางคนเนี่ยพูดพูดไปเรื่อยใช่ไหมประมาณนี้ได้ยินประจําพูดไปเรื่อยเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวเขจะมาให้โน้นเดี๋ยวจะให้นี้สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนนึกขำนะสมัยเป็นเนรอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเงียบมากอยู่ในป่าเขาก็โยงเขาก็มาเยี่ยมเรื่อยนะเดี๋ยวกลุ่มนั้นมาเดี๋ยวจะเอาอนั้นมาให้แล้วก็จากไปเพราะมานก็นึกอ่ะใครพูดนะพอมาขำจะตายมันพูดไปเรื่อยมันรู้พูดทำไมก็ไรู้พูดให้พันปากตัวเองไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้พูดทาไมก็ไมรู้ พูดแล้วก็ไม่ได้ทําหรอกแต่ว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยนะรับปากง่ายๆคล้ายๆแบบนั้นแหละอันนั้นอนะเรียกว่าไม่มีสัจจะวาจาเพราะเราดูจากใจแล้วอะอนนดูจากสังเกตสีหน้าเป็นต้นแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําจริงอะไรหรอกเนี่ยนะนะแต่ก็พูดไปเรื่อยบางคนเนี่ยพูดพูดจริงแต่ว่าไม่มีความตั้งใจเลยพูดแบบเลื่อนลอยบางคนนะตอนตอนพูดก็พูดจริงเหมือนกันนะเออเตียนจะทําอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําจริงๆอะไร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 นนะตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีกําไรตามสมควรอีกคนหนึ่งลงทุนนิดเดียวแต่กําไรท่วมมหาศาลเนี่ยเพราะอะไรถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกันไปปวารณาไว้กับสมมาณพราหมณ์ก็ปวารณาไว้ห ล, ลอกหลอกกันะก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนาะพวกนี้ลงทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดด้วยกรรมอันนั้นอะ่ะก็คือพูดแล้วก็แบบอะไรนะพูดพูดไมได่ตั้งใจพูดอะไรพูดมุสาวาทแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่ตัวเองพูดอะไรก็เป็นเหตุว่า พอลงทุนทําอะไรเจ๊งทุกทีเลยนะแล้วก็นิสัยก็ชอบเป็นแบบนั้นด้วยนะใครที่เจ๊งๆแล้วเราไปดูนิสัยเนี่ยชอบพูดอะไรไปเรื่อยแต่แล้วก็ไม่ได้ทำหรอกก็บอกเออกรรมมันก็ยุติธรรมจ ร, ริงๆแล้วบางคนเนี่ยนะพูดจริงทําจริงทําตามที่พูดทุกประการก็แสดงว่าลงทุนเท่าไหร่ก็กําไรตามที่ตัวเองคาดหวังทุกประการส่วนบางคนเนี่ยนะเอ่ยปากไว้นิดเดียวจริงแต่ว่าตอนทําก็ทําค่อนข้างมากมายพวกนี้เวลาทําเหตุอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้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 ถ้าคำพูดแบบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยให้พรตัวเองอย่างประเสริฐแต่ถ้าพูดไม่นี่ก็โอ้โหสาบแช่งตัวเองอย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยต่อไปบอกว่าที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะกล่าวยานนะสัจจะแล้วจึงกล่าวการเพ่งทำเอ่อเพ่งความเป็นไปแห่งสัมภาระทั้งหลายจริงอยู่ผู้มียานตามเป็นจริงย่อมอธิษฐานโพธิสมภารและยังโพธิสมภาร น, นั้นให้สาเร็จ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 เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาตามความเป็นจริงก็อธิษฐานได้หมดเลยอย่างสมมติถ้าใครรู้ข้อปฏิบัตินะนะรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้อย่างไรเข้าใจว่าสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทําให้แจ้งอย่างไรโพธิปัจจยธรรมจะต้องเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างไรจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็มีการอธิษฐานปฏิบัติไปตามนั้นอย่างครบถ้วนนั้นก็เลยแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิษฐานต่อจากญาณสัจจะ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 นั้นการอธิษฐานจริงๆเนี่ยอธิษฐานที่ดีที่ถูกต้องก็อธิษฐานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายอธิษฐานว่าทําอย่างไรอนัสสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นโภกข้ศัพย์และอริยสัพย์ทําอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้อธิษฐานเพื่อ th th e ha, ให้สั ต, สสตว์ทั้งหลายประสบในโภคท้ัพท์และอริยสัพย์เพิ่มภูณัยคุณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายได้รับประโยชน์ทั้ง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 ออย อ, ออยก็แปลว่าให้ออยเยื่ก็แปลให้เหยื่อนั่นเองนะแล้วก็การให้ไม่ใช่เป็นเลขกลเนี่ยนะเป็นเลขเหลี่ยมเป็นเลขกระเทมไม่ใช่เพราะให้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันการให้เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเนี่ยจึงเป็นการให้เสร็จแล้วอุเบกขาอยู่ได้ท่านบอกว่าอย่างเมตตาของพ่อแม่ส่งเสียลูกจนประสบความสุขความเจริญจนเต็มเปี่ยมเสร็จแล้วลูกก็แยกไปอยู่ต่างหากแล้ก็ไปอยู่ดีมีสุขกันแล้วกันโดยที่เรียกว่า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 ในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กล่าวถึงการไม่สนใจในโทษคือความผิดของผู้นั้นคือบางช่วงเนี่ยนะในอย่างที่ว่าระหว่างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเนี่ยนะอย่างสมมติอะอย่างพ่อแม่ที่ที่แบบมีเมตตาต่อลูกช่วยสงสีรลูกให้เล่าเรียนให้ศึกษาให้ศิลปวิทยาฐานะช่วยเหลือทรัพย์สินเนี่ยถามว่าลูกเคยอุจา ร, ระปัสวะรดหเคยเคยยิกเคยควนไหมเคยแล้วเอามาคิดไหม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 เมตตาเนี่ยจเจริญเต็มที่เลยได้ฌานที่3ได้ฌานที่3เนี่ยนะได้ฌานที่ ส, ม ไ, ส, ม ไ, สมไม่ถึงฌานที่4จะตกกันในเนี่ยนะเมตตาเนี่ยได้เพราะไม่สามารถจะละสุขได้เมตตาจะต้องเกิดร่วมกับสุขเนี่ยนะได้ไม่เกินฌานที่สตติยฌานเท่านั้นแต่ถ้าจะเจริญให้ได้ฌาน4ี่ต้องเจริญอุเบกขาพรหมนิหารต่อไปนะเพราะฉะผลของการเจริญเมตตาที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่จะได้ฌาน4ี่จริงๆต้องอยู่ด้วย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 จะถือว่าได้รับการตอบแทนใช่ไหยจะได้รับ อ, อุปการะได้รับอะไรมากมายแต่ถึงอย่างนั้นก็วางเฉยแม้กระทั่งผู้ที่คร่ประโยชน์จะกล่าวไปยหยถึงผู้ที่เกลียดชังอะนะขนาดผู้คร่ประโยชน์ผู้เพิ่มภูณประโยชน์ยังวางใจได้ยังทั่วไปเขาบอกว่ายังละทิ้งลาบส ก, การะได้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 วรยิยะสัจจะต่อจากขันติอธิษฐานต่อจากสัจจะเมตตาต่อจากอธิษฐานอุเบกขาต่อจากเมตตาเนี่ยนะก็เป็นไปโดยลําดับแล้วคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าการสร้างบารมีทั้งสิบเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกอ่กออิดก่ออิฐสร้างโลกให้เป็นเจดีทั้งหมดนะเอาโลกทั้งโลกมาปั้นเป็นก้อนอิฐแล้วมาเรียงสร้างเป็นองค์เจดีกว่าจะประสบความสําเร็จ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 พ้นจากความทุกข์ทาให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะส่วนลัคนาที่จะตุกากะของบารมีนี่ก็คงเป็นครั้งต่อๆไปเช่นตอนสาหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนมโมธนาด้วยนะ